รพระเจ้าสุดโทนธนะพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครทารามกรุงกบิลพัททรงปราบรภพระพุทธบิดาความพิสดาลว่าพระสัสดาเสด็จกรุงกบิลพั์ครั้งแรกเสด็จไปสู่นิโครทารามอันพระญาติทั้งหลายสร้างถวายไม่อภิวาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ส่งเนรมิตรรัตน์จงกรมในอากาศแสดงธรรม เพื่อทำลายมานะความถือตัวของพระยาทั้งหลายพระยาทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสแล้วถวายบังคมเรื่องนี้พระพุทธบิดาไหว้พระโอรสสามครั้งครั้งแรกคือวันที่อสิตาดาบทเข้าเยี่ยมและทำนายว่าจะเป็นสัสดาเอกของโลกครั้งที่สองเมื่อคราวงานวันมงคลแรกนาขวัญพระสิทธัตถะนั่งเข้าฌานใต้ต้นไม้ว่า เงาไม้ไม่เลื่อนชายบายคล้อยไปตามตะวันเป็นอัศจรรย์จึงอภิวาดพระบารมีพระโอรสและครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งนั้นฝนโบกครพันสะตกลงในสมาคมแห่งพระญาตินั้นจึงตรัสเวสันดรนชาดกวันรุ่งขึ้นพระบิดาทรงดารัสว่าบุตรของเราคงมาสู่เรือน จึงรับสั่งให้คนตกแต่งเข้าต้มเป็นต้นปูราตอาสนะทั้งหลายไว้เพื่อภิกษุสอง0มืรูปในพระราชมณีนเนช้า ว, วันนั้นพระศาสดาสเสด็จเข้าสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตสเสด็จเที่ยวบิณฑบาตโดยลำดับพระมารดาพระราหุลประทับนั่งบนพื้นปราสาทแลเห็นแล้วกราบทูลแด่พระราชา พระราชาทรงรีบเสด็จออกไปห้ามด้วยเกิดความละอายเหลือเกินถ้าหากจะเที่ยวไปด้วยบินทบาตต้องไปด้วยวอดทองนั่นแหละจึงควรพระศัสดาทรงตรัสว่ามหาบพิษพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมประพฤติตามวงของตนเป็นธรรมเนียมเที่ยวไปเพื่อบินทบาตเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ภาสิทิพระคาถาว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าว อันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติรมให้สุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติรมให้สุจริตไม่ izzard, พึงประพฤติรมทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าในเวลาจบเทสนา พระราชาทรงดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลแล้วเทสนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แล